พวกเรามาอยู่วัดอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันเดืองน้อยก็ไม่ต้องไปรับรู้ข่าวสารเดือนนี้ข่าวสารที่มันมาตามสื่อมันก็มีแต่เรื่องที่ไม่ค่อยดีทั้งนั้นบางทีไม่ใช่เป็นเพราะว่าโลกมันแย่ลง อย่างเดียวนะแต่เป็นพราะว่านะักสื่อนี้ก็เดี๋ยวนี้เขาก็คิดอะไรแปลกๆได้ไปเจอเพื่อนคนหนึ่งเขาก็เล่าว่าพยายามติดต่อทางนักสื่อพิมพ์ยักษ์ใหญ่ให้ช่วยลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปประเทศนะ ให้บ้านเมืองมันดีกว่านี้นันกเสรษฐนั่นก็บอกว่าโอย้ยยาก็สมัยนี้เนี่ยก็ถือหลักว่าข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีเสียเงินข่าวอะไรที่ดีๆมันที่มันชวนให้คนทำความดีเกี่ยวะเรื่องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านเมือง อันนี้เนี่ยนะถ้าเสยเงนินทิ้งจะได้ลงนะแต่ถ้าข่าวเพศฆ่ากันยิงกันข่าวไฟไหม้หรือว่าข่าวคอร์รัปชันดาราตกเตียนไอ้พวกนี้นี่นะักสืบพิมพากันแย่งข่าวลงทันทีเลยผิดถูกนี่ว่ากนอีกทนะีแต่ลงก่อน เรียกว่าข่าวร้ายลงมฟรีข่าวดีเสียเงินงั้นเวลาเราดูข่าวนี่ก็จะมีแต่ข่าวที่ไม่ค่อยดีไอข่าวดีๆก็จะอยู่หน้าหลังข่าวว่าคนได้ไปทำงานจิตอาสาช่วยเหลือที่นนที น, นี่ก็เอาไว้ข้างหลังพอะเพราะว่า มันไม่ค่อยเป็นที่สนใจของผู้คนอันนี้จะโทษสื่อมวลชนก็ไม่ได้ต้องโทษคนอ่านด้วยเพราะว่าคนอ่านก็ชอบอะไรที่มันที่มันดูเดือดเล่าใจที่มันมีการทะเลาะบอะแว้งกันก็อาจจะเป็นผลมาจาก ก, การดูละครก็ได้ดูละครมากเนี่ยมันก็ติ่ ละครเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตื่นเต้น ม, มีผู้ร้ายมาีตัวร้ายชัดเจนมีการด่ากันทะเลาะกันมันนึกจะสนุกพอดูละครจนสนุกแล้วติดใจัก็เลยเวลาดูข่าวฟังข่าวก็อยากจะให้มันมีสีสันเหมือ น, นละครบ้างเดี๋ยวนี้เราสังเกตว่าเวลารายการข่าวภาคเชา้านี่แทนที่จะรายงานข่าวปกติก็ต้อง มีการเติมสีเติมสังนะเพื่อให้มันเหมือ น, นละครให้มันสนะุกแล้วก็มักจะเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดิ้นข่าวดาราทะเลาะกันนี่ก็ดีมีคนสนใจอันนี้ก็จะไปโทษสือ่อไม่ได้ต้งโทษคนดูคนอ่านซึ่นบางทีก็เป็นพวกเราด้วยเหมือนกันนะคนสมัยนี้ไม่ใช่ว่าคนอ่านข่าว อย่างเดียวคนทั่วไปหรือแม้กระทั่งคนในวัดนะที่ยังติดนิสัยจากทางโลกโลกมาก็จะชอบสนใจเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้ามีการลินทานมีการว่าร้ายกันก็จะชอบฟังนะฟังเยอไม่พอก็ผสมประสานปรุงแต่งเข้าไปด้วยนะงการลินทานก็เลย เป็นที่สนใจนะแต่เวลาจะพูดถึงความดีของใครก็อาจจะไม่ค่อยสนใจฟังเท่าไหร่หรือฟังก็ประเดียวประดาวฟังสัก 5, 5, 5 10, 10้านาที10นาทีิทีก็เปลี่ยนเรื่องมาคุยเรื่องไม่ดีของคนอื่นดีกว่า น, ะ น, ะนันเนี่ยก็เรียกว่าแม้กระทั่งพวกเรากับเองหรือคนในวัดนะก็ยังมีนิสัยดา่านี้ก็คือการชอบ ฟังเรื่องไม่ดีของคนอื่นนะก็คืออยากฟังข่าวร้ายนั่นเองนะไอ้ข่าวดีที่มันชุกชืดจิตใจให้สดชื่นจ่มใสก็ไม่ค่อยอยากฟังเพราะมันมันไม่สนุกนะเรียกว่าเราเอาความถูกใจไม่เอาความถูกต้องนะอ่านข่าวว่าอ่านข่าวเพื่อความถูกใจไม่ได้ดูความถูกต้องเท่าไหร่ เพราะนเวลานี่ข่าวเรื่องคนทำดีก็จะไม่ค่อยอ่านไปอ่านข่าวเรื่องดาราทะเลาะ ก, กันอย่าล้างกันหรือว่าคนเกิดอุบัติเหตุฆ่ากันอะไรต่างๆแบบนี้ม้แต่เรื่องราวของเราเองชีวิตของเราเองมันก็มีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดี แต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ฝังใจอยู่แต่เรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่ไม่ดีนี่ก็จะจดจำแม่นไอ้เรื่องที่ดีๆก็มักจะลืมเรื่อนเวลาใครด่าเราใครว่าเราเนี่ยจำแม่นแต่เวลาใครชมเรานี่จำไม่ยได้เวลาเงินหายหรือคนขโมยเงินไปนี่จาแม่น แต่ว่าเวลาใครที่เอื้อเฟื้อเราช่วยเหลือเราจําไม่ค่อยได้ไอเรื่องไร้ไรจําดีไอเรื่องดีๆอะจําไม่ค่อยได้พ่อแม่หรือว่าพี่น้องที่ทําดีกับเรามากมานี่จําไม่ค่อยได้แต่เวลาเขาทําไม่ดีกับเราสักเรื่องหนึ่งเช่นเขาด่าเราเขาไม่ช่วยเหลือเราก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟหาว่าเขาไม่มีน้ำใจหาว่าเขาไม่รักเรา หลายคนโกรธแม่เกลียดพ่อก็เพราะอย่างนี้แหละหรือว่าโกรธพี่น้องพ้ อ, องนี้แหละก็คือว่าเลือกจำแต่ไอสิ่งที่ไม่ดีของเขาซึ่งอาจจะทำแค่ครั้งสองครั้งแต่ว่าเราจำแม่นแต่สิ่งดีๆ ท, ที่เขาทำมาเป็นพันเป็นหมื่นครั้งนี่จำไม่ได้หรือว่าความดีที่ตัวเองเคยทำทำอะไรไว้บ้างก็อาจจะไม่ค่อยนึกถึง จะนึกถึงในความไม่ดีอย่างที่เคยเล่าเรื่องที่แน่ชฉีที่เพ่งศีลสักผ้าไปเห็นหมดตายในกละมังก็เสียใจกดหูเศร้าหมองพอะรู้สึกว่าศีลร้องศีลทรลุก็คิดแต่เรื่องนี้แหละจนกระทั่ง ป, ปุบปับเกิดหัวใจวายตายขึ้นมา อย่างเดียวที่นึกถึงก็คือเหตุการณ์ที่ว่าทำให้หมดตายทั้งๆที่ไม่ได้เจตนาแต่ก็คิดแต่เรื่องนี้แหละก็เลยไปอาบายเลยไอ้ความดีที่ตัวเองเคยทำนะไม่นึกเลยไม่คิดเลยไปคิดไปยึดแต่เรื่องที่ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน ะ, ะการที่หนังสือพิมพ์เขาบอกว่า ข่าวรายลงฟรีข่าวดีเสียงเงินเนี่ยนะมันก็จะเป็นพ่อที่สายคนเราเป็นอย่างนั้นก็ได้แล้วเราจะไปโทษเขาอย่างเดียวไม่ได้ต้องโทษเราด้วยเนะพราะเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้นี่นอกจากจะสนใจเรื่องร้า ย, ายเรื่องดีไม่ค่อยสนใจแล้วเดี๋ยวนี้มันจะมีความผิดอีกอย่นก็คือ กล้าทําชั่วนะกลัวทําดีไอ้เวลาทําชั่วนี่กล้ากันนักนะแต่ว่าเวลาทําดีนี่กลัวอย่างคนที่นั่งรถเมล์หรือว่าอยู่นั่งรถไฟฟ้าบางทีเห็นคนแก่หรือว่าคนท้องยืนใจจริงก็เห็นใจอยากจะยืนให้อยากจะลุกให้เขานั่งแต่ก็กลัวว่าคนอื่นจะมองว่า อยากดังหรือว่ากลัวว่าจะทำไม่เหมือนคนอื่นเขาก็เลยไม่กล้าก็นั่งต่อไปอย่างนี้ก็มีนะกลัวทาดีหรือเวล า, เ, าเขามีการมีช่องทางทุจริตกันเราก็อยากจะซื่อสัตย์สุจริตแต่ว่ากลัวคอุอจะว่าเพราะคนนึ่นเขาก็ทุจริตกันทั้งนั้นหลายคนที่อยู่ในระบบราชการ เป็นตำรวจนะเดีย๋ยวนี้กลัวที่จะทำดีกลัวที่จะทำกลัวที่จะรักษาความซื่อสัตย์สุจริตเพราะว่ากลัวคนอื่นก็จะว่าก็เลยต้องโกงกับเขาบ้างเรียกทรัพย์เก็บเงินกับตัวื่นบ้างไอ้แบบนี้ยกล้านะเดีย๋ยนี้กล้ากันมากขึ้นแต่ว่าทำดีก็กลัวหรือไม่ก็กลัวทำดีเพราะกลัวว่าจะเป็นเวรกรรม กลัวเจ้ากรรมในเวรอย่างที่พูดเมื่อเช้าอยากจะช่วยเขาเขากำลังจะตายแต่ว่าไม่กล้าช่วยกลัวว่าช่วยเขาไปแล้วเดี๋ยวเจ้ากรรมในเวรจะเล่นงานอันนี้เรียกว่ากลัวทาําดนะีเพราะว่าไปเชื่อเรื่องกรรมผิ ด, ผดหรือไม่ก็จะทําดีตามหน้าที่ก็กลัว กลัวว่าจะเป็นเวรกรรมขับเขานะเช่นจะไปรายงานว่าคนนั้นคนนี้ทำไม่ถูกต้องกลัวว่าจะเป็นเวรกรรมกับเรากลัวเวรกรรมก็เลยไม่ทำหน้าที่อันนี้ก็เข้าใจผิดเหมือนกันถ้าทำดีแล้วไม่ต้องกลัวพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าทำย่อมรักษาผู้ปรกอพฤติธรรมเดี๋ยวนี้ไม่มีความมั่นใจในธรรมแล้ว กลัวว่าทําความดีแล้วเดี๋ยวจะเดือดร้อนะบางทีก็มีคติว่าทําดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยนะทําดีแล้วกลัวจะเด่งเดี๋ยวก็จะเป็นพัย <c oughs> ก็เลยไม่ทําดีว่าอันนี้เรื่องกลัวทําดนะีก็เลยทําชั่วบางทีอื่นเข้านะถ้าความกล้าทําชั่วเรือ น, นี่ก็เกิดขึ้นมาก นักเรียนอาชีวะก็ยกพวกตีกันพวกนี้ก็กล้างนั้นแหละถ้าะไปตีใครนี่กล้าแต่ถ้าจะให้ไปช่วยทาสีให้โรงเรียนที่ยากจนนี่กลัวกลัวเพื่อนด้วยกันจะโผลจะหาหรือว่าเห็นคนอื่นเขเดือดร้อนเป็นลมอยากจะไปช่วยเขาแต่ก็อายเพราะว่าไม่มีใครช่วยเลยเราไปช่วยก็ กะไรอยู่ก็ต้องแจ้งทําเดินผ่านเลยไปนะปล่อยให้คนเขาอา่นอนร่วมป่วยกันอยู่บนถนนเดีย๋ยวนี้เป็นกันเยอะมากนะอาถึงบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราถือคติกันนะว่ากล้าทําชั่วนะกลัวทําดีที่จริงมันต้องตรงข้ามนะคือกล้าทําดีนะกลัวทําชั่วไอ้กล้าทําดีกลัวทชว า, าทวทชั่วนี่เพราะว่ามันมีหยีริออกกราก กลัวบาปนะแต่นี้ก็กลัวบาปน้อยลงหรืออาจจะกลัวบาปนะแต่กลัวกลัวคนอื่นเขาต่อว่ากลัวคนอื่นไม่พอใจหรือกลัวคนอื่นเขาพูดจาเน็บแนมก็ได้อยากจะทําดีแต่กลัวคนอื่นเขาเน็บแนมก็เลย ทำช่วมป็นคนอื่นเขาไอ้นี่เราต้องสมัยที่การทำความดีต้องมีความกล้าต้องมีทั้งศรัทธาในความดีแล้วก็มีความกล้าด้วยคือกล้าทวนกระแสใครเขาจะว่าอย่างไรไม่สนใจนะฉันฉันจะทำความดีนะฉันไม่กลัวเวงกรรมทั้งสิ้นเพราะว่าฉันทำด้วยเจตนาดนะีแล้วก็เชื่อในความดีว่าเนี่ยทาย่อมรับสาผู้ประพฤตธรรม ธรรมะเขาเลยแล้วคติธรรมะจาริงธรรมยังมรักษาผู้ประพฤติธรรมเป็นนิดนะันอันนี้เราต้องต้องมั่นใจถ้าไม่มั่นใจแล้วมันก็นะโอนเอ็งกลัวแล้วก็เลยทําชั่วโดยที่รู้ว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกแต่ว่าก็ไม่มีแรงที่จะทําความดีเรื่องการกล้าที่จะทําในสิ่งที่คนเขา ไม่ชอบนี่ก็จำเป็นเือนกันสาหรับกา ร, ร, ร, การเป็นนักปฏิบัติธรรมในปัจจุบันอย่าใบใจอ่อนง่ายๆว่าอคนเ้ากลัวเขาจะว่าอย่างโน้นอย่างนี้อันนี้ก็แสดงว่ายังติดในโล ก, กธรรมอยู่ยังติดในความยังติดในสายตาคนอื่นอยู่อย่างนี้ก็ทำความนี้ได้ยากในยุคปัจจุบันอ่ะาก็เตรียนลับฟ